ที่ฉันไปลงรักเธอพิธีเธอมีใจให้ฉันพิที่เราสองคนรักกันแต่เธอนั้นยังมีเจ้าของเธอคือรักที่ลมพัดมาช่วงเวลาแค่เพียงสั้นๆอีกไม่นานก็ต้องเลิกกันกับ ความรักที่ไม่มีวันจะได้ครอบครองปล่อยให้ลอยลอยปล่อยให้ลอยลอยละลอยให้ความรักพัดพาฉันไปตัวฉันเป็นเหมือนวากระดาษขึ้นมาสูง สักวันคงจะไม่ยับยั้งชั่งใจก็มันรักไปแล้วจะให้ทำเช่นไรไม่มีทางที่โยนฉันกันไปร่ำไมถึงวันที่ต้องเจอฉันต้องทนไม่ได้ผิดจริงๆกูรู้แต่ไม่ยอมตัดใจ เราจะแ ตัวฉันเป็นมันเบากระดาษขึ้นมาสูงก็เลยลำบากร่มฉันดาวหัวใจปล่อยให้ลอยละลอย ล, อยลอยใ้ลอยลอยละอยเบาตัวน้อยจึงอ่อยล่องไปตอนนี้ดูมันมีความสุขแต่ก็รู้สักวันของจะไม่ยับยัง้งชั่ง อ我จี